ไปนะครับบุพการและบุพกกิจข้อว่ากิงสังขสักบุพการกิจจังนะบุพกกิจของสงฆ์ทเสร็จแล้วหรืออันนี้ขอให้กลับมาหนังสือโบทสวิธีทีนะครับจะมาให้ดูว่าเรากําลังมาถึกหายแล้วหน้าตอนนี้หน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับมันมูหนังสือโบทสนวิธีหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับนิทานนะครับท่านพุทธเจริญน้ว่าสไปแล้วนะ มาดูตรงย่อหน้าที่สองครับหน้าลักยิจสิบเจ็ดคำว่าสงกับทําบุคกิจเสร็จแล้วหรือท่านทั้งหลายจงบอกความบริสุทธิ์จากอาบัติของตนขปจ้าัจากสวดปาติโมกเราทั้งหมดที่มีอยู่จงตั้งใจฟังพระปาติโมกนั้นให้ดีอาบัติพึงมีแก่ท่านรูปใดรูปนั้นพึงแสดงเสียเมื่ออาบัติไม่มีพึงนิ่งอยู่ เพราะความเป็นผู้นิ่งแรงข้าพเจ้าจะรู้ท่านทั้งหลายว่าเป็นผู้บริสุทธิ์การตอบย่อมมีแก่บุคคลผู้ถูกถามโดยเจาะจงตัวฉันใดคําสอบถามย่อมถูกประกาศถึงสามครั้งในบริษัทเช่นนี้ฉันนั้นเหมือนกันพิสุรรูปใดเมื่อคําสอบถามถูกประกาศอยู่ครบสามครั้งและเลือกได้อยู่แต่ไม่ยอมเปิดเผยอาบัติที่มีอยู่สำปราชามุสาว่า การกล่าวแท้ทั้งที่รู้ตัวย่อมมีแก่ที่สุดรูปนั้นท่านตั้งหลายก็สัมปชานญะมุาว่าแลครับมีพระพาคร์ตรัว่าเป็นธรรมที่สามารถกระทำอันตรายฉะนั้นที่สุด ต, ต้องอาบัติแล้วเลิกได้อยู่ต้องการความบริสุทธิ์ก็ควรเปิดเผยอาบัติที่มีอยู่เสียเพราะเปิดเผยแล้วความสาพาสุขจะมีแก่เธอนะครับอันนี้นะนี่แค่นกะ่อนะนะนะ เนี่ยท่านขึ้นต้นว่าสงกระทำบุพกิจเสร็จแล้วหรือเพราะว่าเป็นกิจที่ต้องทํำก่อนนะครับมีวุพกิจบุพกรใช่ไหมบุพ ก, ก, กรกิวยุพกรต่างกันยังไงคาแปลคล้ายคล้ายกันนะครับบุพกรมันก็เป็นสิ่งที่ต้องทําก่อนทำก่อนลงมือโบสดนะครับบุพกิจก็เหมือนกันก็เป็นกิจี่ต้องทำก่อนลง <c oughs> ม, ม, ม, ม, มื อ, อ, อามาโบสดแต่บุพกรกเนี่ยมันจะต่างกันอย่างนี้นะครับต่างกันนิดหนึ่งนะตรงที่ว่านะครับ บุพการทําก่อนที่สองจะมาประชุมกันครับบุพกรารเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะไอ้นะกสมัชชีนีบัดเพีงโปรกใช่ไหมปัจจุบัโรงโบสถตามปฏิเตียงน้ำเสีน้าใช้กูหลาบชนะไ อ, าาเอ้เราทําก่อนตั้งแต่บ่ายสองใช่ไหมครับก่อนที่สองจะมาประชุมกันเราทําก่อนแต่บุพการกิจทำตอนไหนครับมุพกากิจทําตอนที่สองประชุมกันเรียบร้อยแล้วก่อนจะส่วนปัจจุบอกเท่านั้นครับทงบุพการิจ ที่บรรเทาไกให้นว่าเนะี่ยอะไรนะการนํำฉันท่าการนําปริสุทธทิ์ไม่มีเรื่องดูนี้เป็นเรื่องดูฝนใช่ไหมอุคโบสถนี้เป็น อ, อุโบสถที่สามของฤดูฝนผ่านไปแล้ว 2, อสอุโบสถยังไม่มาอีกเท่าไหนนะ 5, ร่นะห้าโบสถใช่ไหมครับอย่างนี้นะเนี่ยเป็นต้นเนะี่ยที่สูบมีจํานวนเท่าไหร่นะก็ว่าไปเนี่ยจะต่างกันอย่างนี้นะครับต่างกันอย่างนี้นะอันนี้เราจะอธิบายเป็ต่างลงดับนะครับ เนี่ยตรงนี้ให้ใส่ใจให้ดีนะครับนี่มายให้ข้าวนิดหนึ่งนะถ้าว่าท่านตั้งใจจงบอกความบริสุทธิ์จารบัดของตนนะครับก็คือต้องปร่งอารบัดเป็นเสียนะครับข้าพระเจ้าจะสวดปาติโมกเราทั้งหมดที่มีอยู่จงตั้งใจฟังพระปาติโมกนั้นให้ดีตรงนี้นะครับคําว่าตั้งใจฟังฟังฟาติโมให้ดีเนี่ยมันจะเป็ความที่ดีนะตั้งใจฟังให้ดีตั้งใจฟังให้ดียังไงนะครับคือใส่ใจตั้งใจนะ อย่าส่งใจไปที่อื่แม้แต่ตั้งหน่อยเดียวนะครับก็ไม่ควรที่จะส่งใจไปที่อยู่นะครับควรตั้งใจฟังแล้วก็ประมวลให้ดีนะที่เขากำลังสวดธัะสิษยามุษรศิษย์หาหมดไปไปนะครับให้ใส่ใจฟังให้ดีเลยแล้วก็ประมวลให้ได้ไม่ถึงตอนไหนตอนนั้นตอนไหนนี้นะไม่ควรที่ว่าโอ้นั่งแล้วก็ฟุ้งซ่านเพ้เจ้อไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นนะ้ย่างนี้ไม่ดีไม่ควรนะครับนี่นะทุตติยเจ้าแนะนําไว้นะครับให้ใส่ใจอย่างนี้เลย ผมใช้วิธีนะครับทวนตามนะทวนตามเพราะบางทีถ้าไม่ทวนตามแล้วใจมันจะคอยไปอื่นอยู่เรื่อยนะครับต้องค่อยทวนตามแต่คนนี้ทวนตามแล้ววังให้ดีนะอย่าทวนเสียนั่งนะครับมันทีมู่ไม่เม่แบบมู่มไม่มีเสียงอ่นไม่ได้นะมันจะไปควรคนสวดปฏิโมกนะครับเพราะเวลาสวดปฏิโมกต้องใช้สมาธิอย่างมากนะเสียงไม่นิดนึงนีน้ไม่ได้นะครับยิ่งเสียงตุน้นติ้มปัญหาใหญ่เลยบันคนก็แบนนะั้น อะไรนะแต่ที้มันจะาจาอารมณ์ประชิดกันโดนไปสร้างก็ชั่ตี <c oughs> ไปควรห้อดเขาไม่ได้เลยนะต้องไปให้เงียบถึงที่สุดหรือว่าให้มีแต่การขยับปากอย่าให้มีเสียงออกไปเลนะครับอันนี้เป็นอุบายหนึ่งที่จะช่วยให้จาราจัดจ่ออยู่ก่อนปาติโมกตรงนั้นไม่ส่งไ ป, ไปที่อื่นหรือว่าดูหนังสือตามไปด้ว่อยๆแต่ละตอนแตตอนแตน่ล ต, ต, ตอนที่ม่านะคนที่จะทําอย่างนี้นะครับพวกเกิ่ยวพรกรเนี่ยโอกาสครับ อามันไม่มีครับจรงเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ทําตท่านว่าไั้ยครับเมื่อก่อนผมไม่ได้ทวนตามเนี่ยโอ้ยคือใจไม่ก็อ ย, อยู่นท่งไปเรื่อยนะตั้งความคขาและความจําเกรงนะในพระสมามรจะเจ้าว่าให้หนักแน่นนะครับว่าพรองค์สั่งไว้อย่างนี้นะให้เราตั้งใจัและใส่ใ จ, ใ, จใจฟังให้ดีอันนี้เป็นปฏิโมกที่พระงทรงบรรยายไว้เพื่อสาธุภะั้งหลายนครับเพื่อความเชื่อทำยังไงของโพแล้วก็เนี่ย ตั้งความความ ห, หนแน่นนะแล้วก็ตั้งใจฟังไปครับยิ่งคนที่เดินเข้าเดินออกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะ <c oughs> <c oughs> ยิ่งว่าจะไม่ฟังอะไรเดินเข้าเดินออกนั้นไม่ควรนั่ไม่ควรเลยนะครับขณะฟังนี้ไม่ควรจะส่งใจไปที่อื่นเลยควรจะไปเดินเข้าเดินออกควรยังไงนอกจากว่ามีอันตรายอะไรจริงๆยู่ไม่ได้นะก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับในท้ายสุดนี้ขอความเจริญงอกงามทำมินาของพระธรสมโคตร จงมัแต่้หมายด้วยกันทุกท่านเถิด Um, so